สมัยที่หลวงพ่อกราบพรหมสโรท่านปก ทั้งนี้ก็พระหลวงพ่อกราบท่านเข้มงวดให้บรรดาพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดทั้งหลายคอยเอาใจใส่อยู่เสมอ เต็มไปด้วยกอไม้น้ําขึ้นปกคลุมจนแทบ แล้วก็ไม่เคยมีใครกล้าถามถึงเหตุผลในเรื่องนี้กับท่านก็โตคืนเคยมีใครกล้าถามถึง 2451 ซึ่ง 5 เสด็จประพาส ผ่านเมืองสุพรรณบุรีเมื่อเรือพระที่ ทรงเห็นหญ้าขึ้นรกปกคลุมท่วม หากเป็นความผิดจะต้องได้ แล้วก็แจ้งความประสงค์ที่จะขอทราบถึงเหตุผลที่ท่าน ซึ่งใช้เป็นทางสัญจรไปมาหาสู่กันทั้งผู้หญิงผู้ชายคน ซึ่งเป็นเครื่องยั่วยวนให้จิตใจไม่สงบก็จะขาดสมาธิ กุฏิวิหารก็สุอ่าปลูกสร้างไว้วัดเป็นอันนี้แสดงให้เห็นว่าหลวงพ่อกราบปรมัสโร กระทำสิ่งใดไปก็มีเหตุ ด้วยกระแสความมีเมตตาของท่านเนี่ย ตัวที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณวัดจันทร์เนี่ยเป็นสัตว์ ต้องเดินป่าล่องเรือแพกันมาๆก็แน่ล่ะจะต้องมีผู้ที่ การถ่านพรานชีวิตสัตว์ พลันได้เห็นทั่วบริเวณป่าๆกับฝูงกระรอกที่ ที่จะยิงได้โดยไม่พลาดกระรอกนี่เป็นสัตว์ที่ขี้สงสัยเมื่อ ฐานมือฉมังก็ให้แปลกใจในฝีมือของตัวที่ฝีมือการยิงหน้าไม้ของ 2 ก็ยังเป็น สารคนนี้ก็เพียรพยายามจะยิงกระรอกในป่าวัจจันอยู่ค่อนวันจนลูกดอกที่พกพามา แล้วก็ได้รู้ไปอีกว่าไม่มีนายฉมังคนไหนที่วัดแห่งนี้แล้วๆไปจะพยายามแสดง 2 พอต่างก็รู้แก่ใจ ที่อยู่ห่างจากวัดจันทร์ไปอีกมากปรากฏว่า ทั้งนี้ก็คงจะเป็นด้วยธรรมและเดชานุภาพของหลวงพ่อกราบนั่นเองเกี่ยว ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ คนที่รู้ว่ามันเป็นนกเลี้ยงของหลวงพ่อกราบก็ไม่มีใครคิดทําร้ายมันแต่ก็ไม่ใช่ว่า ถึงไม่อาจจะพยุงตัวเกาะกิ่งไม้ได้ จะมีก็แต่ร้อยพืนแดงตามตัวเล็กน้อยเท่านั้นตัวนําไปส่งให้ แต่แล้ววันหนึ่งมโนกกระทุงตัวนั้นบินออกจากวัดไปหากินมันก็ แต่ว่าลูกศิษย์สูงอายุของหลวงพ่อกราบ ต่อมาก็ทราบอีกว่าชาวบ้าน ท่านร่ำเรียนวิชาศาสตร์ต่างๆจากพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณที่ชื่อเสียงเกรียงไกรสมัยนั้นซึ่งมีอยู่ 2 คือหลวงพ่อเห่งซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์องค์พระอาจารย์ขำวัดน้อยชมพู่นะซึ่งเป็นพระคู่สวดเมื่อตอนเมื่อได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้จาก ดำเนินจิตทบทวนวิชาด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้เรียนมาอย่างสม่ำเสมอก็ทำให้สภาวะแห่งจิตของท่านก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมบังเกิดเป็นพลังอำนาจอย่างลึกซึ้งจนยากที่ปุถุชนจะหยั่งถึงแล้วก็ได้ก่อเป็นปาฏิหาริย์ต่างๆให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปหลวงพ่อกราบท่าน ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตรหลวงพ่อผ่องผู้นี้เป็นผู้ มีความขัดข้องในเรื่องเครื่องใช้ MICHAEL S.L. 다른 ใช้ถึงว่าขาดเหรือใดสิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องใช้แล้วก็ไม่สามารถจะหาได้ทันพวกที่ คือไม่เคยมีญาติโยมหรือว่าศิษย์คนไหนเคยเห็นท่านทั้งสอง ได้ศึกษาศาสตร์วิชาจนกล้าแข็งศึกษาศาสตร์วิชาจนกล้า ได้ทราบกิตติศักดิ์ความรอบรู้ในธรรมของหลวงพ่อกราบที่ร่ําลือไปไกลก็แล้วลําบากถนนหนทางยวด ระยะทางจากศรีประจันไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระ 70 กว่ากิโลเมตรก็ต้องใช้เวลา ว่างไกลออกไปซึ่งท่านมีความแวมไปด้วย ตกดึกคือนั้นสิ่งที่ทุกคน เรือ 3 ลำที่ลอยลำอยู่กลางแม่น้ำก็ต่างทัด ชรอยพระภัยคงจะเห็นใจและเข้าใจเจตนาดีที่ทุกคนพาที่สุดแต่นั้นก็หมายถึงเช้า คราวนั้นพอรู้ว่าเรือลำของตัวปลอดภัยแต่ว่าไม่นานาโดยเฉพาะหลวงพ่อกราบผู้เป็นอาจารย์ ด้วยความห่วงใยก็รีบจํารีบถ่อเรือตามหาอย่างเร่งรีบ ความกังวลเป็นห่วงก็เริ่มคุขึ้นมาอีกจะเรียกเรียนถามหลวงพ่อกราบก็เกรงใจเพราะท่านกําลังนั่งสมาธิอยู่ก็ได้แต่รอเรียก หลวงพ่อกราบท่านก็ลืมตาขึ้นอ่าฟังคําถามแล้วท่านก็ จะถามรายละเอียดอื่นๆต่อไปก็เกรงใจเพราะหลวงพ่อหลับตายอีกแล้วด้วยความเป็นห่วงเพื่อนก็ทอเรือตามหาต่อไปเพื่อจะดูให้รู้แน่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาว่าคำพูดที่หลวงพ่อกราบท่านบอกว่าปลอดภัยจริงๆอย่าง หลังจากถามทุกข์สุขกันดีแล้วก็ให้นึกแปลก พระนครศรีอยุธยาเหมือนกันแต่ครั้งนี้เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางกลับวัดค่อนข้างจะสบายสบายกว่าขาไปเพราะว่า แต่ขณะที่เรือขบวนนั้นล่องมาถึงแยกปากแม่น้ํา กระทบกันทางด้านข้างนี่ทําท่าจะล่มกลางแม่น้ําไว้เชื่อเถอะน่ะไม่เป็นไรเรือ เพราะมีความเชื่อในบารมีของท่านที่ แล้วที่สําคัญก็คือทิศทางที่แพสูงเนี่ย แพทصلงนั่นก็เปลี่ยงทิตย์ทางไปจากเดิมอย่างและทางห Loop เหมือนก็มีพลังมหาทน์มหาศาลชักลาคให้ลกไปจากเรือรำเล็กแลจะพลุ่งตัวเลยผ่านไปอย่างล่อเร็วทุกคนที่อยู่ในเหตุการณคราวนั้นตกตะลึงปากเห Miller ตาค้างกันเป็นทีวแถว เพราะว่าทุกคนน่ะมั่นใจว่า 26 พฤศจิกายน ปี 2491 ตรงกับแรม 11 ค่ำ 12 ปีชวดเวลา 3:00 92 ปีบวช 71 พรรษาหลวงพ่อ